พระไตรปิฎกฉบับประชาชนเล่มที่เก้าชื่อทีฆานิไกศิล akanthawak เป็นสุดตันตะปิฎกทีฆานิกายแปลว่าหมวดหรือพวกขนาดยาวได้แก่พระสูตรหรือพระธรรมเทศนาที่ยาวนํามาจัดไว้เป็นหมวดหรือพวกไว้ในที่นี้คําว่าศีลขัน n ว h a w แปลว่าวักที่ว่าด้วยกองศีล ทีฆนิกายหรือหมวดยาวนี้มีสามวคคือศิลขันธวรคมี13สูตรมหาวัคมีสิบสูตรปาติกวรคมีสิอสูตรและแต่ละวรคตั้งชื่อตามข้อความในสูตรบ้างตามชื่อของสูตรบ้างคือในศิละขันธวรคสูตรแรกมีเรื่องศีลจึงตั้งชื่อศิลขันธวรคในมหาวัค สูตรแรกชื่อมหาประธานสูตรจึงตั้งชื่อมหาวัฏในปาติกวัฏสูตรแรกชื่อปาติกสูตรจึงตั้งชื่อปาติกวัฏพระไตรปิฎกทีฆนิกายนี้มีสามเล่มเล่มละวัฏตามชื่อที่กล่าวมาแล้วรวมทั้งเส้นมีส4สูตรพระสูตรในเล่มเก้าหรือในทีฆนิกายศิลคันทวัฏมีสิบสามสูตร ตามลำดับดังต่อไปนี้หนึ่งพรหมชาลสูตรสูตรที่เปรียบเหมือนไข่อันประเสริฐที่ครอบคลุมอย่างกว้างขวางคือกล่าวถึงลทัทธิศาสนาต่างๆที่มีในครั้งนั้นที่เรียกว่าทิฏฐิ62ิสองเป็นการชี้ให้เห็นว่าพระพุทธศาสนามีหลักธรรมแตกต่างจาก62สองลทัทธินั้นอย่างละเอียดสอง สามัญญผ ล, ลสูตรว่าด้วยผลของความเป็นสมณะหรือผลของการบวช 3. อภัตตสูตรว่าด้วยการโต้ตอบกับอพัธมานพมีข้อความกล่าวถึงประวัติศาสตร์สักยะวงศ์ 4. โสนทันทสูตรว่าด้วยการโต้ตอบกับโสนทันทพรามมีข้อความกล่าวถึงคุณลักษณะห้าอย่างของพราม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 ของพระพุทธเจ้าโดยมีคุณธรรมเป็นพื้นรองรับเก้าปตถปาทสูตรว่าด้วยการโต้ตอบกับปตถ ะ, ะปาทปปริพาชกเรื่องอัตตาและธรรมะชั้นสูงอื่นๆ 10. สุภาสูตรว่าด้วยการโต้ตอบระหว่างพระอนนทะเทระกับสุภามานพโตเอยบุตรสิบเอ็ดเกวัตสูตร ว่าด้วยการแสดงธรรมเรื่องปาฏิหาริย์สามแกข่ข้ารหบดีชื่อเกวัตตะส2องโลหิตจสูตรว่าด้วยการโต้ตอบกับโลหิตจพรามถึงเรื่องนิจชาทิฐิและศาสดาที่ควรติไม่ควรติ 13. เตวิ ช, ชสูตรว่าด้วยพรามผู้รู้ไตรวิทยาเคยเห็นพระพรมหรือไม่